บุกทูห้าสิบห้าควินเด็ควินการทำงานลาบรี่คุณทำอาชีพอะไรคะคิโยเอสตเรียโปรเฟเียสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ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 และค่าประกันสุขภาพก็สูงใครละมัลซานุลอะเซคูโรมุลเตคอสตัสหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตคหนูอยากเป็นวิศวก ร, ดดนนรหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัย ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดเัาดิฉันมีรายได้ไม่มากดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศนี่คือหัวหน้าของดิฉัน ที่ estas ส i a estro มีอสตรดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมิฮาบัสอฟบาบไลน์พลเนเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอทักแม่อนิเชียมอิรัสอลาลาบไร亚ร์รเอสโท ร, ร, ร, รดิฉันกำลังมองหางาน น, งงางานิเชรชัสลาโบร ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วมีเอสตัสเซนลาบอร่าแต่ยำอุนุยาโรที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากเอสตัสโตรมูตัยเซนลาบรูลอยเอนชิทิวันโดการุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e